งแห่โรูเพิร์ตถือว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดและปราดเปรื่องมากว่ากันว่าในหมู่บ้านทั้ง1ิบแห่งรอบๆไม่มีใครที่กล้าหาญและฉลาดกว่าเขาเลย วันหนึ่งรูเพิร์ดกับเพื่อนๆของเขากําลังนั่งรอบกองไฟพร้อมกับฟังเรื่องเล่าการผจญภัยของทหารที่เดินทางผ่านมาที่หมู่บ้านของพวกเขาจะมาถึงเรื่องเล่าที่น่าสนใจที่สุดของทหารมื่อแห่งโชคชะตามันมีอยู่จริงๆอย่างนั้นเหรอผมไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะมีสิมันตั้งอยู่บนยอดเขาสูงซ่องประกายแวววับ ราวกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องดุดดังทองคำที่นั่นมีทองคำและมีสมบัติอยู่มากมายเลยจนผู้คนไม่รู้จะเอาพวกมันไปทำอะไรดังนั้นพวกเขาจึงสร้างสิ่งของต่างๆขึ้นมาจากทองคำ <S <S เมื่อพวกมันเก่าแล้วก็พวกเขาก็จะสร้างขึ้นมาใหม่แล้วของชิ้นเก่าก็จะถูกเอาไปทิ้งที่เก็บขยะไง อะไรนะอะไรนะอะไรนะให้พวกเขาส่งทองมาให้พวกเราสิให้เขาพูดต่อสิเล่าเลยพี่ทหารเล่าต่อเลยขมขอบใจการแบ่งปันไม่ว่าจะเงินหรือว่าผลไม้ ช่างใจดีจริงๆแต่สิ่งนั้นที่พวกเขามีล้วนเป็นทองคำและอั ญ, ญมณีเกลื่อนเต็มท้องถนนเลยแม้แต่ฝุ่นถนนก็ยังเป็นทองคำซึ่งคนเก็บขยะได้เอาพวกมันไปทิ้งไว้บนกองขยะแล้วทองคำเต็มไปด้วยอั ญ, ญมณีซองประกายยิ่งกว่าท้องฟ้ายามค่าคืนผมว่าคนในเมืองนัน่ะคงใช้เวลาไปกับการเต้นราแล้ก็ร้องเพลงเพราะพวกเขาคงไม่ต้องทางานอะไรเลยจริงด้วย พวกเขาคงได้กินแต่ของหรูๆแน่เลยอ๋อเงินไม่ใช่เหตุผลเดียวในการทำงานร้องเพลงเต้นรำหรือกินของดีๆดหรอกนะเมืองทั่นเหมือนแบบนี้ไหมสวยสุดๆไปเลยแจ็คสวยสุดๆไปเลยจ็ค อยากรู้ไหมล่ะว่าเมืองหรือว่าทองคำของพวกเขาอะไรสวยกว่าเล่าเรื่องทองให้พวกเราฟังสิอ่าบ้านทุกหลังทำจากทองคำหน้าต่างทุกบานทำจากเพชรถนนทุกปู ด, ด้วยเงินและทองคำขาวเม็ดกรวดของพวกเขาเป็นกรวดที่มีค่ามากพวกมันแวววาวจนไม่จาเป็นต้องมีแสงไฟจากบ้านหรือในเมืองเลยแต่ว่า จะไปที่นั่นได้ยังไงเหรอครับมีอยู่สองเส้นทางเส้นทางแรกน่าสยองมากนายต้องเดินผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยก้อนหินและขากน้ำมันจะคอยทิ่มเท้านายและอีกหนึ่งความน่าสยองก็มีบ่อโคลนขนาดใหญ่คอยดูดเกลืนทุกอย่างและเพื่อที่จะไปถึงเมืองแห่งนั้นนายยังต้องผ่านเส้นทางขึ้นภูเขาที่ลาดชัน เ ล, เลื่อนมากค่อยขัดขวางนายถ้าไม่นายเหนื่อยล้าจนหมดกำลังเราวอกชั้นทางล่ะอ้อมันใช้เวลาเพียงสองวันในการจะพานายไปยังเมืองแห่งโชคชะตาแต่ว่านายต้องพอได้ละบอกทางมาเลยผมจะไปที่เมืองนั่นอย่ารีบนักสิยังน้อยให้ฉันบอกนายก่อนผมได้ยินพอแล้วพิธาน แล้วผมจะไม่ปล่อยให้อะไรก็ตามทำให้ผมอ่อนแอลงอีกแล้วผมไปละเฮ้ย hey, ตอนนี้เลยเหรอฉันรอไม่ไหวแล้วรูปเฮิร์ กระตือรือรน้นที่จะไปเมืองแห่งโชคชะตาเป็นอย่างมากเขาไม่แม้แต่จะบอกลาเพื่อนๆหรือครอบครัวของเขาเลยโชคดีนะรูเพิร์ดบายรูเพิ Bye, ร์ดโชคดีเพื่อนรูเพิร์ดเดินตามทหารเข้าไปในปา่าที่นั่นทหารพาเข้าไปยังเส้นทางไปที่เมืองรูปเพิร์ดเร่งรีบอย่างมากเขาไม่แม้แต่จะขอบคุณทหาร เขาเดินทางมาไกลจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำที่นั่นมีนักพายเรือคนหนึ่งกำลังรออยู่ที่ฝั่งเออคุณช่วยพาผมข้ามฝั่งได้ไหมได้เลยแต่ต้องจ่ายมาห้าเหรียญเงินผมดูมีเงินมากขนาดนั้นเลยเหรอในชีวิตผมเนี่ยยังไม่เห็นเงินขนาดนั้นมาก่อนเลยโทษทีไม่จ่ายก็ไม่พายคุณครับได้โปรดเถอะ ผมจะไปที่เมืองแห่งโชคชะตาผมจะใจ่ายให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการเลยตอนที่ผมกลับมาไม่เคยมีใครร่ำรวยเลยหลังจากกลับมาจากที่นั่นก็ได้ถ้านายไม่มีเหรียญเงินก็เอาชิ้นส่วนหัวใจของนายให้ฉันสิอะไรนะแบบนั้นผมก็ตายสิโอ้ใครสนเนื้อหนังจริงๆกันเล่าฉันหมายถึงแก่นแท้ของหัวใจนายคนพายเรือน้ำคลื่ออกมาเล่นดนตรีแปลก ไม่นานก็มีแสงประกายปรากฏขึ้นบนหน้า อ, อกของรูเพิร์และลอยเข้าไปในคลุยจากนั้นรูเพิร์ก็ขึ้นไปบนเรือและล่องเรือข้ามแม่น้ำไปจากนั้นรูเพิร์ดได้เดินทางขึ้นมาบนยอดภูเขาชายที่เหมือนกับคนภายเรือยืนอยู่ที่นั่นรูเพิร์สามารถมองเห็นเมืองแห่งโชคชะตาได้เบื้องหลังป่าไมา้แต่แปลกมาก ที่เขาไม่รู้สึกกระตือรือร้นเหมือนก่อนที่จะมาตั้งแต่คนพายเรือเอาแสงแปลกๆในหัวใจของเขาไปรูเพิร์ดรู้สึกหนักอึ้งมากราวกับว่ากําลังจะกลายเป็นหินน้อยต้องใยถึงจะผ่านไปได้ผมไม่มีเงินเลยเอาชิ้นส่วนหัวใจของผมไปแทนได้ไหมได้สิอย่างที่คนพายเรือทำํำ ชายคนนี้นำขลุ่ยออกมาเล่นเพลงแปลกๆ แ, และแสงสีทองก็ออกมาจากหน้าอกของรูปเพิร์ตและลอยเข้าขลุ่ยไปน่าแปลกมากที่เขาไม่รู้สึกมีความสุขเลยที่ได้เข้าใกล้เมืองแห่งโชคชะตารูเพิร์ตรู้สึกตัวดักอึงและว่างเปล่าแบบที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาก็ยังเดินทางต่อไปไม่นานรูเพิร์ก็มาถึงประตูสูงสง่าของเมืองแห่งโชคชะตาและก็เหมือนกับที่ทหารเคยเล่าเอาไว้ ประตูบันใหญ่ทำขึ้นโดยทองคาที่งดงามและประดับประดาไปด้วยเพชรและอั ญ, ญมณีที่งดงามเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้รูเพิร์ด เ, เลี่ยงที่จะเข้าไปจะ ถ, ถูกหยุดไว้โดยผู้เฝ้าประตูที่ดูเหมือนกับคนภายเรือและชายบนภูเขาหยุดนะเจ้าต้องจ่ายมาก่อนถึงจะผ่านได้คุณจะเอาชิ้นส่วนหัวใจของผมไปด้วยใช่ไหมใช่แล้ว เหมือนก่อนหน้านี้คนเฝ้าประตูเอาคลุยออกมาและเล่นบทเพลงแปลกๆที่รูเพิร์ดรู้สึกแปลกมากเ <Kazuto revealing. S 1> มืองแห่งชคชะตาอยู่เบื้องหน้าของเขาแต่เขาไม่รู้สึกดีใจเลยที่ได้เข้ามาเพ <c> ียงชั่วครู่ <h> รูเพิร์ดก็สงสัยขึ้นมาว่าเป็นเพราะเข้าใจหัวใจของเขาไปหรือไม่ทำให้เขาเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีหัวใจและด้วยสิ่งนี้ทาให้แสงประกายเล็กๆบนหน้าอกของเขา ไม่ได้ลอยเข้าไปในคลุยประตูถูกเปิดออกแล้วรูเพิร์ดก็เข้าไปในเมืองแห่งนี้เป็นเมือกับที่ทหารเคยบอกแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นรูเพิร์ดเห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านไปเขายิ้มให้แต่ชายคนนั้นไม่ได้ยิ้มตอบเขาเพียงแต่มองมาที่รูเพิร์ดรูเพิร์ดเดินต่อไปและเห็นโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารหรูหรา ว, วางอยู่บนถาดสีทองและดูเหมือนไม่มีใครอยากกินมัน โธเอ้ยอาหารคงเป็นความสุขให้กับคนที่ไม่รู้จักความหิวไม่ได้รูเพอรเดินต่อไปและพบกับเครื่องดนตรีมากมายที่ทำจากทองคำและอั ญ, ญมณีแต่ไม่มีใครเล่นพวกมันเลยคนเก็บขยะผ่านมาและกวาดพวกมันลงเกวียงทองคำโธเอ้ยเสียงเพลงจะมอบความสนุกสนานให้กับคนที่ไม่มีปัญหาและความกังวลได้อย่างไงถัดมา รูเพิร์ดเห็นช่างทำทองคำกาลังทำภาชนะทองคำทุกๆกชิ้นล้วนเหมือนกันไปหมดโอเอ้ยคุณค่าของการสร้างสรรค์ต้องถูกย้อนลงกองขยะเพียงเพราะว่าพวกมันมีมากเกินไปรูปเพิร์ดมองไปที่ใบหน้าของผู้คนที่ไร้อารมณ์และความรู้สึกรอบๆตัวเขาไม่มีความสุขหรือรอยยิ้มได้เลยในเมืองแห่งนี้ ในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าทั้งหมดเป็นเพราะการจ่ายด้วยหัวใจและเพราะแสงประกายที่ยังเหลืออยู่บนหน้า อ, อกของเขาทำให้เขารู้สึกเศร้าใจผู้คนในดินแดนแห่งนี้ไม่มีหัวใจเหลืออยู่แล้วและไม่รู้สึกถึงสิ่งใดเลยนอกจากความว่างเปล่าสำหรับทองคาในดินแดนแห่งนี้มันเหมือนกับว่าพวกมันเป็นเพียงก้อนหินสาหรับพวกเขารเพิร์ดไม่ต้องการมีชีวิตแบบนี้เขาจึงตัดสินใจกลับบ้านฉันอยากกลับบ้าน อยากไปเจอเพื่อนๆกับครอบครัวของฉันทันทีที่เขาพูดเช่นนั้นประกายของหัวใจทั้งหมดที่ขนเฝ้าประตูเอาไปก็ลอยกลับมาที่หัวใจของเขารูเพอสามารถดีใจที่เห็นเพื่อนๆกับครอบครัวของเขาอีกครั้งสำหรับทองคำในดินแดนแห่งนี้ มันเหมือนกับว่าพวกมันเป็นเพียงก้อนหินสำหรับพวกเขารูปเพิร์ดไม่ต้องการมีชีวิตแบบนี้เขาจึงตัดสินใจกลับบ้านแม่ครับพ่อครับผมอยากขอโทษเฮ้ย hey, รูปเพิร์ดลูกพ่อโอ้ลูกกลับมาแล้วขอบคุณพระเจ้าเฮ้ย hey, นายกลับมาแล้ว ผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมโลภมากอยากได้ทองจนหน้ามืดตามัวตอนนี้ผมรู้แล้วว่าความร่ำรวยนั้นปล่าประโยชน์หากมันไม่ได้มาพร้อมกับความสุขและความสุขสามารถหาได้จากสามสิ่งนี้เท่านั้น 1. เมื่อเรายังมีความเป็นคนอยู่ไม่ว่าเราจะรวยหรือว่าจน 2. เมื่อเรามีคนที่คอยหัวเราะและร้องไห้อยู่เคียงข้างกัน 3. เมื่อเรามีจิตใจที่พร้อมจะแบ่งปันและดูแลผู้อื่นถ้าทองคำและความร่ำรวยเป็นทั้งหมดที่เรามีจิตใจของเราก็ไม่ต่างกับหินเหมือนผู้คนในเมืองแห่งโชคชะตานั่นแหละก็อย่างที่เห็นรูเพิร์ดกลับมาจากเมืองแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นตัวเลือกที่ฉลาดหรือว่ามันไม่จริงล่ะถ้าในชีวิตของคุณต้องเลือกระหว่างทองคำกับคนที่คุณรักคุณจะเลือกอะไรล่ะ ทองคำก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ามันมาพร้อมกับความรัก